ดีจริงที่น้อยลงมาทําหน้าที่สํารวจเสียก่อนชายยันหันไปบอกเพื่อนสาวอย่างพาซื้อหล่อนยักไหลยิ้มจืดจืดชําำรองแวบไปทางระพินอีกครั้งหนึ่งไม่ปิดปากเช่นไรยังนึกหวาดเสียวอยู่ไม่หายเมื่อมารู้ตัวว่าตนเองนอนเปลื้องผ้าพึงแดดม้อยหลับอยู่ปากโพรงของมุติยูนั่นยังเคราะดีที่ระพินหันมาเห็นเสียก่อนไม่งั้นป่านนี้หล่อนจะเป็นอย่างไรบ้างก็เดาไม่ถูก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 พอดีอีกตัวหนึ่งมันเลื้อยออกมาจากพงตะไครนะ้น้ำมาที่ซากคู่ของมันพรานใหญ่บอกให้น้อยยิงน้อยก็เลยยิงโล่งอกไปทีแล้วปินบอกกับตนเองในใจมันคงไม่เหมาะแน่ที่จะให้พี่ชายของร่อนรู้ว่าน้องสาวคนสวยหัวร้านของเขานอนผึ่งแดดเป็นนางเงือกอยู่บนแผ่นหินปากฏโรงโจงอยู่กับสายตาของเขาในขณะที่เขาดันกระสุนเข้าสังหารอสารพิษร้ายที่เตรียมจะเล่นงานรอนอยู่ โดยเลงข้ามตะโพกอวบกลมกลึงอันเปล่าเปลือยไปเพียงองคุลีเดียวโชคดีที่เจ้าตัวเองกบเกลือนเงื่อมงามอย่างแนบเนียนเมื่อข่าวที่ช้างแม่ลูกอ่อนไล่ขับในลำธารเขาล้นก็ทีหนึ่งแล้วเหตุร้ายฉุกประหุกมันมักจะมาทำพิษเอาอีตอนที่ร่อนเปลือยร่างอาบน้ำทุกทีแล้วก็ไม่รู้จักเขตราบเสียทีเชตดาไม่ติดใจสงสัยอะไรอีกยี่สิบนาทีหลังจากนั้น ทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปได้เชื่อถือไดชายยานงัดเอาแผนที่แสดงเส้นทางเดินของไอแหว่งที่รบพินทําไว้ให้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งพร้อมกับสอบซักถามหาหรือหลังจากที่เราประทะ ก, กับเจ้าควายป่าตัวนั้นเมื่อเย็นวานนี้แล้วเสียงปืนของพวกเรามันจะระเบิดขึ้นหลายสิบนัดหลือเกินเท่ากับเป็นการไล่มันโดยตรงชายวันว่าไม่แน่เสมอไปนักหรอกครับ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 แง่ทายกับเกิดมองดูหน้ากันเกิดยิ้มแห้งๆเป็นคนตอบว่าผมกับแง่ทายลืมอย่างสนิทเลยครับนายเพราะกำลังรีบไม่ได้สังเกตมันด้วยซ้ำเสียเวลาเปล่าหน้ากบเพียงแค่ไอ้นิ่มตัวเดียวเท่านั้นปล่อยมันตามยถากรรมมันอาจรอดรอดไปเองก็ได้ดีกว่าจะเดินย้อนไปที่นั่นกับเพียงแค่เหตุผลแค่จะช่วยแก้มัดปล่อยมันช ย, ยันตัดบทมาแต่ดารินสันีษะผู้เจีบขาด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 พรใหญ่พูดอ่อนโยนแล้วหันไปทางเชี่ยากับชายยานบออยิ้มยิ้มว่าไม่เสียเวลาอะไรนักหรอกครับทางเดินของเราก็เฉียดใกล้ที่นั่นอยู่แล้วแแวเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นใหญ่น้อยนี่จอมยุ่งเลยพับผาเสียงพี่ชายบ่นพึมแต่ก็ไม่มีใครขัดเจตนาของหล่อนเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งหมดก็มาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์เมื่อคืนนี้เจ้าสั์กินมดหนังเป็นเกร็ดหนาที่รพินจับผูกไว้ที่โคนรั่ว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 มีอย่างหรือจับมันมามัดทิ้งไว้ให้อดอาหารตายทารุนหยอกเมื่อไหร่ทำไมไม่ปะแป้งทาน้ำอบให้มันก่อนปล่อยล่ะชายานหันมาแย่ด่ารินแหวเขาใส่ก enfin ็ฉันไม่ได้มีแป้งกับน้ำอบติดตัวมาด้วยนี่ถ้ามีก็จะทาให้เหมือนกันแหละเราเน่ใจดำาอมหินนักจะร่าสัตว์ร้ายก็รู้จักแผ่เมตตาให้ก่สัตว์ที่ไม่ร้ายบ้างสิอ่อแม่คนใจดีมีเมตตาชยานยานคาง วันแรกๆที่เข้าป่าฉันเห็นเธอยิงแม้กระทั่งกับเจ้ากิ้งก่าอีเหีียวเห็นอะไรเป็นซ้อมมือดะงูเขียวก็ยังยิงเลย<อ><อ>ก่นั้นฉันเจตนาจะฆ่ามันเพื่อจุดประสงค์ทดสอบทางปืนนี่นะแต่สำหรับตัวนิ่มตัวนี้ทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วว่าไม่มีใครต้องการจะฆ่ามันเพื่ออะไรแล้วทุระอะไรจะต้องให้มันถูกมัดอดตายอยู่อย่างนี้ หนุ่มสาวผู้มีความสนิทสนมกันแม้แต่หนหลังและรักใคร่กันเหมือนพี่น้องที่คานตามกันออกมาเปิดสั ก, กราชทะเลาะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งแกล้งยั่วเล่นบรรยากาศคืน้นเครงขึ้นบ้างเล็กน้อยสำหรับอีกสี่คนที่ร่วมคณะอยู่ด้วยแล้วก็เลิกกรางเงียบเสียงกันไปเองเมื่อรพินนำออกเดินต่อจากป่ารวกนั้นนำออกสู่ทุ่งที่สลับไปกับระเหมะติดรอยของโขล ง, ง, งช้างเกเรที่ทิ้งไว้เมื่อเย็นวานนี้ไปตามลาดับ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 หม่อมราชวงหญิงสาวคนสวยพรานใหญ่อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ในข้อที่ตระหนักว่าหล่อนเรียนรู้และเคยชินกับการติดตามรอยไนดะ้อย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อมา ก, ก่อนเต็มไปด้วยความทระห็ดอดทนเกินตัวไม่มีการล้าหลังไม่มีทา่าท้อถอยอ่อนแรงหรือปิดปากบ่นอุทธรแต่เห็นชัดว่าเหนื่อยหนักและดื่มน้าบ่อยกว่าทุกคนเนื้อตัวและสองแก้มแดงปลัง่งเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของกิ่งไม้และน้า ห้ามห้วยรึกชันระหว่างซ้อของตอนหนึ่งขึ้นสู่ดงทึบอีกครั้งทันทีนั่นเองทุกคนก็ชะงักอยู่กับที่ด้วยเสียงชนิดหนึ่งที่แผดสะเทือนกล้องไปทั้งดงแล้วคนไปกับเสียงพงไม้ที่รั่นหักรูระเนดังมาจากปากด่านเล็กๆทางด้านซ้ายมือโดยไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณ น, นัดแนะอะไรกันเลยทั้งหมดเบี่ยงเข้าหาที่กบาบังอย่างรวดเร็วด้วยสัญาชาตญาณระวังภยัย จ้องสายตาไปยังป่ารกเบื้องหน้าที่เห็นไหว ย, ยวบยาบ พ, พร้อมกับเสียงกระหึ่มที่แว่วมาเสือคงกำลังฟัดกับอะไรอยู่แช่ถากะระซิปพรานใหญ่ตะแคงหูจับเสียงขู่คํารามนั้นซึ่งบางขณะก็กระหึ่มอยู่ในลำคอเบาๆและบางขณะก็แผดกึกกล้องแสดงถึงโทสะตลอดจนเสียงของการพลิกไหวตัวสีหน้าของเขาอาจจะมีแววงงเล็กน้อย เหมือนจะไม่แน่ใจตำแหน่งที่มาของเสียงนั้นอยู่ในระดับเหนือลมจงว่ากัดกันเองก็ไม่ใช่เพราะได้ยินเสียงคำรามอยู่ตัวเดียวหรือว่ากำลังสู้อยู่กับสัตว์อื่นก็ไม่ได้ยินเสียงคู่คู่ต่อสู้ของมันเลยแล้วพินกระซิบบอกแล้วเม้มปากตรวจทิศทางลมเพื่อความแน่ใจอีกครั้งจึงย่องกริบออกจากโคนไม้ใหญ่บ่ายหน้าตัดรงลำห้วยแหง้งด้านหนึ่งใกล้ๆโบกมือให้ทุกคนตามเข้าไป หุดใจใหญ่ต่อมาของการเดินย่องไปตามลำห้วยอันคตเคี้ยวเบื้องบนปกคลุมทึบไปด้วยผงเถาวัลย์และกิ่งไม้ใหญ่นั้นคณะนายจ้างทั้งสามก็รู้สึกว่าเสียงขู่คำรามของเจ้าเสือร้ายดังอยู่เวงเวียนเหนือลาห้วยไม่ห่างออกไปนี้เองพรานใหญ่หยุดชะงักหันมามองเป็นความหมายเตือนอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆเหนียวกายไต่าตามรากไม้โผล่ศีรษะพ้นขอบห้วยขึ้นไปทั้งหมดปฏิบัติตามเขา ในระยะห่างเพียงไม่เกิน1 5บหก้าวที่ลําต้นไม้หลอมซึ่งทอดขวางอยู่ในระหว่างพงน้ําพุงดอและก่อริบเหวี่ยวสลับไปด้วยต้นกระดาษภาพอันเป็นที่มาของเสียงก็ผ่านป ร, กรากฏชัดกับสายตาของทุกคนซึ่งรอบแอบดูอยู่ในขณะนี้เสือดาวหนุ่มชกันเต็มที่ตัวหนึ่งกําลังเล่นเอาเถิดเจ้าร่อยอย่างดืเดือดอยู่กับงูเหลือมตัวขนาดต้นหมาอวบเจ้าสัตว์ที่ไม่มีตรีนพยายามจะลุยหนีเข้าไปในพงรก แต่เจ้าดาวเพ่นเข้าสกัดหน้าสกัดหลังใช้ตบกระชากที่ราต้นบริเวณใกล้เคียงกับส่วนหัวแล้วขย่าสะบัดพยายามรากเหยื่อของมันออกมาจากพงลกครั้งแล้วครั้งเล่างูเหลือมหดหัวซ่อนไว้บางขณะก็อ้าปากพุ่งเข้ากัดแล้วก็เปลี่ยนทิศ ท, ทางหมายจะเลือเ้อยเบนไปอีกทางหนึ่งซึ่งเสือร้ายก็เพ่นเข้าดักหน้าไว้ทุกครั้งเสียงงูเหลือมขู่อยู่ฟ่อ่แต่ไม่ดังนักท้าทางมันไม่หวาดหวั่นพรั่นพึงไอ้ดาวนัก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 ตำแหน่งที่มันงับติดนั้นต่ำกว่าก้านคอของงูลงไปเล็กน้อยและความอวบใหญ่ของลำตัวปลปะักมีขนาดเกินกว่าที่กงเขี้ยวของมันจะฝังเข้าไปสร้างจุดตายอันเฉียบขาดฉับพลันได้งูแว้งมางับตอบติดแน่นอยู่ที่ช่วงไหล่ของมันฟัดกันคลุกคลีเป็นภารวันพุ่มไม้หักยับเยินเสือไม่มีโอกาสฉเฉลียวคิดเลยว่าบัดนี้ลำตัวอันยาวเหยียดของคู่ต่อสู้ถูกร่างขมวดเข้ามาอย่างแช่มช้า แล้วปัจจุบันธันดวนนั้นพอได้จังหวะก็ตะวัดรัดหมับเข้าให้รอบลำตัวเสือตรงบริเวณอกอย่างหนาแน่นมั่นคงแล้วผ่านรอบซ้ำเข้ามาอย่างรวดเด็วอีกหลายทบเสือดาวรู้ตัวอ้าปากปล่อยแผลเสียงร้องอย่างตกใจพยายามจะดิ้นสะบัดแต่มันสายเสียแล้วไม่มีทางที่มันจะดิ้นพ้นไปจากวงรัดอันแข็งแรงของงูได้ล้มกิ้งตะแคงลงกับพื้นขาทั้งสี่ตะกุยตกายฟืดพื้น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 ไอดาวก็ไอดาวไม่เกี่ยวข้องกันอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดอย่างทึ่งๆขณะนั้นงูเหลือมร่างไอดาวผู้ปลาชัยเคยื่อนหายรับเข้าไปในป่าพงโลกแล้วเห็นแต่ปลายพงไหวเล็กน้อยเพราะการเคลื่อนไหวอยู่เบื้องร่างของมันเกิดก็พโลงออกมาว่าจัดการกับไอเหลือมตัวนั้นเสียดิไหมครับหัวหน้าคณะเดินทางแตะมาที่ไหล่ผ่านพื้นเมืองและสั่นศีรษะยิ้มเล็กน้อยอย่าไปทําอะไรมันเกิด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 ภายหลังจากมันกรีนเยืเ่อของมันเข้าไปแล้วมันจะย่อยส่วนนี้ออกไปส่วนที่เป็นกระดูกย่อยไม่ได้มันก็จะสำรอกคายทิ้งออกมาทีหลังเมื่อย่อยเนื้อหมดแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่คนทั่ ว, วไปไม่รู้ข้อนี้ยังไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่าพิศวงกว่านี้ก็คือสมมุติว่ามันไปกินสัตว์ที่มีเขายาวเกะ ก, กะประเภทกวางหรือวัวถึงแม้มันจะสามารถขยอเอาลำตัวเข้าไปอยู่ในท้องของมันหมดแล้ว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 ชายันกับดาลินหันมามองดูตากันแล้วเบ้ปากห่อไหลลงเชิฐายยกมือขึ้นรูปปลายคางก็มีเหตุผลพอที่น่าจะทําให้เชื่อได้เหมือนกันนะเพราะงูเป็นสัตว์อายุยืนถ้ามันมีอายุอยู่มาแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีตัวมันก็ควรจะโตขึ้นเป็นลําดับเอาเถอะเมื่อเราเดินทางผ่านเข้าไปถึงที่นั่นคงจะได้เห็นเองอย่าให้เห็นได้เลยจะเหมาะกว่าชายันพูดพร้อมกับผัวรอดเสียงพิกล ถอยพาให้ทุกคนหัวเราะกันไปด้วยเชิดฐานพยักหน้ากับพรานใหญ่พร้อมกับบอกว่าไปบุกต่อตายขึ้นรำห้วยบริเวณที่แอบซุ่มดูภาพการประจนประจันระหว่างงูเหลือมกับเสือดาวนั้นแยกก็สู่ด่านกระทิงที่มีรอยของโขงไ อ, งองแว่งทิ้งไว้เห็นชัดผ่านไปอีกหลายทุ่งหลายหุบท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุอ้าวอยเหล่านั้นนาวกลงทิศใต้ทุกขณะ สชั่วโมองเต็มๆที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเดินโดยไม่ได้ปรี๊บากพูดคาใดกันเลยระพินเกิดและแง่ทรา ย, ายอ่านรอยและสิ่งแวดล้อมรอบด้านไปทุกระยะด้วยความจัดเจนชํานาญของแต่ละคนส่วนคณะไหนจ้างทั้งสามไม่กังวลในเรื่องร่องรอยนะักเพราะไว้วางใจในพรานนําทางอยู่ดีแล้วเพียงแต่คอยระวังเตรียมตัวโดยไม่ประมาทสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะจู่โจมมาถึงตนเท่านั้นขณะที่ผ่านริมดงแห่งหนึ่ง นอกจากรอยวัวที่เห็นย่ำเปรอะไว้เมื่อคืนที่ผ่านมานี้ทั้งเชื้าและชา ย, ยานเห็นรอยเท้าของสัตว์อีกชนิดหนึ่งย่ำไว้สดๆร้อนๆซึ่งทั้งสองอ่านตรงกันด้วยความอัศจรรย์ใจว่ามันน่าจะเป็นรอยเท้าของแรดแต่สังเกตเห็นและผินมองดูอย่างผ่านๆแล้วก็ไม่ได้ปิดปากพูดหรือแสดงความสนใจอย่างไรคงมุ่งออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆแง่าสายซึ่งเดินอยู่ใกล้นายจ้างทั้งสองที่สุด และได้ยินทั้งสองคนหาหรือกันเบาๆก็แก้ความสงสัยมาให้ว่าไม่ใช่แรดหรอกครับนายสมเสร็จนะ่ะสมเสร็จขนาดใหญ่สมเสร็จก็ต้องมีสี่เล็บสิที่เห็นอยู่นี่สามเล็บเท่านั้นแล้วก็ขนาดใหญ่ไม่ใช่เล่นชา ย, ยันกระซิบแย้งอย่างไม่วายกังหาหนุ่มกระเหีียงพนเจนจรหัวเราะดินบริเวณนี้มันแข็งมากครับ นิ้วก้อยของมันอยู่สูงก็เลยไม่ปรากฏทิ้งไว้ให้เห็นจึงเหลือให้เห็นเพียงสามเล็บเท่านั้นดูเผลอๆก็คล้ายแรดเหมือนกันต้องอาศัยดูที่ลักษณะเล็บครับเล็บของสมเสร็จเรียวแหลมกว่าเล็บแรดถ้าเป็นรอยแรดจริงป่านนี้ผู้กองไม่เดินอ้าวไปอย่างนั้นหรอกจริงของแงซทรายถ้าเป็นแรดอย่างที่เราสงสัยแล้วพินคงบอกให้รู้แล้วเชืาเห็นด้วยชายยันจึงหมดข้อข้องใจ และที่ขอบดงขณะที่พลานใหญ่นำเดินเลาะเพื่อจะหาด่านทางเข้านั่นเองต่างก็พบกับซากของหมูหลิงตัวหนึ่งถูกเสือกินไว้เหลือแต่ส่วนศีรษะและขาหน้าภายหลังจากตรวจอยู่อึดใจเดียวจอมพลานก็กระซิบบอกให้คณะนายจ้างของเขาทราบว่ามันเป็นเสือไฟอันเสือขนาดย่อมซากนั้นเป็นซากเก่าเพราะกำลังเน่าส่งกลิ่นคลุ้งมแมลงวันตอมหึงขณะนั้นตะวันคล้อยต่ำลงทุกที เสียงนกระวังไพรร้องก้องอยู่ในดงแววมาแต่ไกลรปินควักผ้ากันหนูออกมาเช็ดเหงื่อและยืนใคร่ครวนซุบซิบอะไรอยู่กับเกิดเหมือนจะรังเลอะไรสักอย่างอยู่ปากาห้วยแห้งเชิดถาก็ก้าวเข้ามาถึงมีอะไรหรือรอยไอแหว่งนำเราวกลงสู่ใต้ทุกทีครับผมเกรงว่ามันจะบ่ายหน้าไปทางโป่งผีสิงมากกว่าจะมุ่งขึ้นป่าหวายอย่างที่เข้าใจไว้แต่แรกรปินตอบเสียงต่าเบา ริ้วรอยกังวลปรากฏขึ้นบนสีหน้ากล้านเกลียมขณะนั้นดาลินและชายยานก็กล้าเข้ามาร้อมวงสมทบและได้ยินคำพูดของเขาว่าแต่ในขณะนี้เราอยู่ที่ไหนถ้ายังติดลอยมันไปได้เช่นนี้เราจะไปข้ามที่บริเวณห้วยใหญ่ทองชายยานดวงเอาแผนที่มาคลี่ดูอีกครั้งแล้วขมวดคิ้วเงยหน้าขึ้นโดยเร็วเอ๊ะยังไงกันนี่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 วางแผนกันให้ดีนะว่าจะเอาอยัางไงกันชา ย, ยันพูดเครียดๆแล้วินมองสบตาเชีฐาอันเป็นหัวหน้าคณะเหมือนจะขอความเห็นคุณคิดยังไงรพินคุณชายนะครับผมว่าก่อนจะพักนอนค่ำนี้เราตามรอยมันไปเรื่อยๆให้รู้แน่ชัด